อะไรนะเล่นไหวไปเฉยๆนี่ยเราทําไปเฉยๆไม่ต้องจะสานตรผ้ผงพาเฉยๆใจเราก็จะเฉยๆเยนี่ยผลออกมาก็จะเฉยๆไม่ต้องมีความคิดเห็นอะไรทำเป็นธรรมชาติทำปาป็นสบายๆเป็นไปสบายๆอย่าไปเร่งรัดอย่าไปบังคับอย่าไปค่มขดไปทั้งหมดอย่าไปมีอะไรอะไรทั้งหมดแต่ให้เป็นไปตามธรรมชาติ นะต้องโดยใจด้วยฮนะสบายๆอ่ะนะอย่ามีการบังคับรือผมคนหรือมีความมุ่งหวงังอยากให้มันเป็นงั้นอยากให้เป็นปนี้ต้องการให้มันสงบไม่สงบไม่ต้องมีเลยนะดูเฉยๆสงบและเนียแปบเลยล่ะนะมาตาจังรเราทำเฉยๆนะี่แสงบละถ้าเราไปมุ่งว่าต้องการให้มันสงบนะี่ยิ่งไม่สงบแล้วนะ แั่นคความคิดเข้าไปกั้งและอันนี้เป็นไปเพื่อให้เาตัดสิจากความคิดให้มันว่าจากความคิดเมื่อไรปัดสิจากความคิดเมื่อไหรจะทำให้จับตากฏจะทําให้เราเห็นแจ้งแม่อ่านในกันนะหายใจเข้าออกมันสบายสบาย อย่ามีความรู้สึกเราต้องมาทําอะไรหรือเราก็มีความรู้สึกเราต้องมาเอามือไปเอามือมาอย่างนี้ไม่นนต้องมีร่างกายเราก็ไม่เกเมือเกงตัวไม่ต้องเกงนะอันเป็นธรรมชาติปกติเห็นไปเพื่อนมันมีความปกติอันนี้เราต้องเจริญความปกติอันนี้ แล้วเราจะได้ผลผลก็คือปกปติเราทํายังไงเหมืนอนเมื่อเหล่านี้เรามีความรู้สึกอย่างไงก็จะได้ผลอย่างนั้นเจะสะสมะ่นะเยาสะสมความสบายใจก็ดีกายก็ดีแต่เราก็รู้จะแครต้องต้องรู้ต้องเห็นอยู่ นี่เป็นสิ่งที่อยู่เนือเหตุเนือฝนเนือเหตุฝนรู้เหนือเหตุเนื้อฝนทำลาสโวนมากเราอยู่กับเหตุกับฝนมันปุ้งแดงเหตุฝนคือคามบุ้งแดงเวลาาที่เวลาสิ่งเดียวอ๋อเดี๋ยวดีเล ลาเดิมเมนเปิดตาเแกยง้ายมือนื้อเตอรตัวนะือจิตใจตื่นเปิดตาเแกยงสายตัตตตวเนื้อเตอรตัวนี่ยะฝึเป็นทุทธะ ก, ก็เข้าสู่มาเป็นทุทธะจิตใจสาสว่างสงบไม่มีอะไรนะทุทธะนะหรือพุทธะันจิ นันที่ขึ้นสาลว น, นะ น, นั้นันไปเสียเวลาล่าตรงเลยนะตัดใจนะเร็ว มีคามรู้สึกเวลาทำอะไรอันนี้เราก็จะไปอยู่กับการทำนาด้ยงานเราทำนาทนาคีแล้วเราพอยู่ครู้ัอยู่ยุดอยู่นั่นเหายใจเาหายใจแบบถอหายใจหายใจแบบสบาให้เป็นานะเราไม่ต้องไปอะไรอัจะรู้เป็นไปหาความพอดีสร้งยาวแค่ไหนถึงจะพอดี ทุกอย่างอะเต็นไปด้วยความพอดีหมดนะเนี่ยความพอดีเนี่ยสาคัญเลยนะเศรษฐกิจพอเพียงเพียพอมันจะตรงกรื่องของแม่ลนะแต่อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความพอดีมีแต่เพียงพอมันไม่เปนี้หนาแาะมีแต่ฟังเต็มฟังอิ่ม เนะี่ยวิธีง่ายง่ายไม่ใช่วิธีอะไรให้เรารู้จักนะไม่ใช่ลุกแาบไม่ใช่อะไรเดี่ยนะให้เรารู้จักว่าโอ้อย่างนี้รู้จักอย่างนี้รู ặt, ặt, จนะ้จักการู้จักใจของเาใจดีไหรดุจ ใจดีเราเคลื่อนไหวไปทีเห็นใจเราดีอยู่ว่างอยู่ก็เห็นอยู่ว่างอยู่เห็นทางใจเห็นตั้งใจเห็นทั่วถึงหมดใจดีใจดีแล้๋ยวอยู่กับความดีนั่นอมันอย่าลืมนะนี้ถามมันมากมันชินอันนี้ไปอยู่ที่ไหนทางการทํางานแล้วก็อยู่กับความดีไม่ทุกข์กัน เนี่ยหลวงพ่อกอยู่กับความดีเนี่ยเป็นมะเร็งก็นเนี่ย <c oughs> คนนี้ก็บอกวนะ่า <c oughs> เป็มะเร็งในความนั้นเหลือเนี่ยหมอบอกระยะสามเนี่ยเนี่ยถ้าคนไม่มีอันนี้แล้วก็ผรงนี้ก็ถูกถูกถูกตัดเส้นประหารชีวิตแล้วเ <c oughs> ขาโรคนี่เป็โรคไรแรงใช่ไหมไม่ต้องไปกลัวจะไม่กลัวอะไรเพราะเราอยู่กับความรู้สึกมันจะไม่มีอะไรนะ คามร anything, like, like, wow. ู uh ้สึกมันไม่มีอะไรที่เราดูเนี่ยควารู้สึกไม่เียอะไรแว่าให้คุ้นเคยอะไนี้เนี่ยก็อยู่ๆกับภาวะปัจจุบันนี้ว่าโง่เบาเตมอิอยู่นะขอให้ใจเราดีกายดีใจดีแล้วก็อยู่กับความดีกายดีใจดีแล้วก็จะรู้สึกแบบสบาย มาไหนได้หมดทําการทํางานทุกเรื่ออันนี้ระดับนั้นถูกแต่นี้ขึ้นไหมึงก็ดาวสายามเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวเคลื่อนไหวไปธีพลิกดูฮะอืมเห็นอยู่เห็นใจเราเห็นกายเห็นใจปกติอยู่สมดุนกันดีคงตื่นกันดี เรารู้ได้แล้วมันเป็นนะถ้ารู้ได้ก็เป็นไปตัวรู้ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ขอให้เราตัวรู้รู้ชายรู้ชายตัวรู้รู้เองนะไม่ใช่เราต้องรู้น่ะได้ใช่ไรู้เองตัวรู้เองตัวเนี้ยถ้าว่าเราต้องรู้นี่จะเป็นภาระนะะต้องเปลี่ยนไปถ้าเราต้องเคยรู้เราต้องเคยรู้นะเราเคยต้องจ้องรู้อี่างนจะเป็นภาระทำให้เสียเทรียด ันนี้ไม่ต้องมีอะไรรู้เองอย่างนี้บอกอย่าให้รู้ดิได้ไหมไม่ได้นะะเราเคลื่อนไหวอย่างนี้อย่าให้รู้ดิได้ไหมไม่ได้นี่นน่ะตัวรู้เองเี่ก็ทําหน้าที่เองอยู่แล้วอันนี้ส่วนมากเราไม่รู้เราไปแยงรู้ซะก่อนอ่าเรียกพูดให้ให้ดูไปด้วยนะฟังไว้ด้วยดูไว้ด้วยจะได้รู้จักคือให้รู้จักนะ <c ười> ไม่ใช่บอกให้ทําตามนะไม่ใช่นะ <c ười> เราก็ต้องทําอย่างของขอ ง, ของเราอะนะของแต่ละคนนะนะทำตามของเราอ่ะอันนี้ไม่ต้องเชื่อใครดจะเชื่อตัวเองจะต่อตัวเองได้อ๋อเรารู้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่าพุทธโธละพุทธโธแบบรู้อ่ะนะ <c oughs> เขารู้อะไพุทธโธแบบว่รู้ตั้งทะลุเดือรู้นั่นเองรู้ตัวเองอะไรไม่ใช่รู้ที่ไหนรู้กายรู้ใจตัวเอง เป็นสารที่ถีโ่โตเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติคือเห็นได้ด้วยด้วยตนเองเราต้องเห็นของเราเองอ่ะคนอื่นไม่เห็นแทนเราไม่ได้อันนี้เห็นผู้อบอกผู้เจ้าผูสอนอย่างนี้เรไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อใครแต่ฟังน่ะฟังแล้วนะดูเพะอาศัยผู้ชี้นะชี้ให้ดูเอาหัวค้ำ ไปื่อันนี้พูดก็พูดว่าทำน่าจะยิงไม่ต้องทำนะ <c oughs> ต่อสายคำพูดอ่ะนะมันไม่มีคำพูดอ่ะจริงๆไม่มีคำพูดเลย <c oughs> แล้วไม่นานหรอกความทุกข์นี่อย่าวบาบางลงไปก็หมดไปนี่ธรร ม, มะอาจารย์มีโมกษภงยาเบาวบางไปเยอะอ่ะใช่ไหมผเ ข, ข้าใจอะไรึ้น อไม่ถิดหวางแน่นะแล้วจะตอบตัวเองได้ว่าไม่ต้องไปถามใครว่าเอ๊ะทําอย่างนี้ผิดหรือถูกที่เคลื่อนไหวนี่เหมือนคือเป็นอยับชาติารู้มันตื่นตอนนั้น เ, เฉยก็รู้ได้รู้ตัวรู้ได้อยู่แ้วตัวรู้ตัวรู้ได้มันดีอยู่แล้วตอนนั่น เ, ยเฉยๆก็รู้ไม่ใช่เคลื่อนไหวให้รู้อย่างนี้มันใช่นะนตอนนั้นแนะนาให้ไปทุบอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกตรงแบบนี้ไอ้หน้นแย่แล้วใช่ ไ, ไหม <S <S มาสังเกตเการเฉียดเฉยกรูก้ได้เลนะอันนี้แหละดีไหถามมาดีไห ม, ม, ไหมแต่คุณตอบโดยเองได้ใช่ไหมแม้ว่าต้องเชื่อแ้ว่าต้องเชื่อใคร่ะแล้วนี่มันสามารถกแก้ปัญหาต่อสารพัดแก้ได้วควบคุมได้ นะพัฒนาได้หมดได้แต่ถ้รารู้ว่าอะไรไปทำการทำ ง, งานก็ได้ส ง, งบเนีย่ยส ง, งบแบบเนี้ส ง, งบแบบเคลื่อนไหวหรือสมาธิแบบเคลื่อนไหวไม่ต้องหลักตาอยู่ที่ไหนเป็นสมาธิหมดที่รู้สึกตัวที่รู้ตัวหรือความรู้สึกนั้นสมาธิ ใช่ไปหลับตาเลยสงบนิ่งอันนี้ไม่รับรู้อะไรก็เรียสงบแบบแมวไหนไปทดลองดูสินะเราจะไม่รู้นี่เราเห็น่ะรู้เห็นเขาเรียว่าสงบแบบรู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริจงอันนั้สงบแบบเลี้ยว แ, แมวไหนขนาดที่สงบ ก, ก็ไม่รับรู้อะไรไม่อยากจะรู้อะไรเวลากระทบสัมผัสก็แก้ไขไม่ได้ ต้อสังเกตนะมันจะตายแต่นี่ตัวรู้สึกนี่นะให้สังเกตนะมันจะเป็นคว า, ามปล่อยคว า, ามวามันจะไม่เจ็บไม่ยึดมันจะเบาว่ามันจิตใจจะไม่ผูกพันความรู้สึกดูความรู้สึกนะคว า, ามารู้สึกจะไม่ผูกพันจะไม่ขกาะเกี่ยวไม่มีการผูกพันไม่มีคว า, ามเกาะเกี่ยวปล่อยมันปล่อยไม่ใช่เราปล่อยนะเขาปล่อยเองนะความรู้สึกของเขา เขาวางเองปล่อยเองนะสีสวยมากเราได้ยินได้ฟังบอกให้ปล่อยให้วางนะแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็วางมันไม่ใช่ของจริงเราไปทํำนั้นเลยอันดี้เขาปล่อยเองวาเองคือเข้าถึงความมีความเป็นคือเศที่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ยปรมาตะเอาถึงปรามะสิงที่มีอยู่เป็นอยู่ถึงจะเรียกสัจธรรม ไม่เปลี ay, ớ, Ô, ่ยนแปลงความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือหมายถึงจิตใจของเราความรู้สึกของเราเชิญตาดูอะไรเราท่องแต่จิตใจน่เชอว่าปกติไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอั่ชาที่สี่แล้วเนี่บอกให้นะเนี่ยเรียกว่าชามก็ได้ ระดีขณะที่เราดูอยู่แพ่งดูดูอยู่ในการเพ่งการเผาที่เรนก็เข้าไม่ได้ถ้าเราเผาเมื่มอไหรก็เข้าถ้าเราไม่เห็นนะไม่เห็นต้ารู้สึกก็เข้าแหละวความที่เห็นต่างๆก็เข้าและวปรุงแต่งและวจิตก็จะถูกปรุงแต่งพอเข้าไปรู้พอเรารู้ก็ถูกเพื่อนบอกจริงสังเกตแล้วนะเนีย่ยที่ให้ดูอา่า ไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นไรนะได้ยินได้ฟังไว้แล้วบางทีเวลาทำไปแล้วบางทีพอมันถูกจุดแล้วก็จะเราก็จะเข้าใจได้โอ้อย่างนี้เองอ๋ออย่างนี้เนี่ย <c oughs> แล้ว น, น้นนา น, น, านที่ขาเท้าซ่อนทับอยู่ไหมัมนปวดเมื่ อ, อ, อย่ยับนี้ ท the so <inaudible> <aluable> ี่มาซ้อนครับนานๆครับถูกเช่นเดียวมัจะเป็นน็ตเลือดร่มเดียวไม่สะดวกขยักนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนลดนิดนิดนิดนิดนิดนิลนิดนิดนิดนิ้นิดนิดนิดนิดนิดนิอนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนินิดนิินตัวแมนรดทํานิดนิดนิดนิดดนิดนิดดี๋ยวิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิอนิดดนิดนิดนิดนมดนิดนิดนนิน แล้เราขยับคอมกันยังไม่แข็งใช่ไต้องไม่เกณฑ์นะต้อสังเกตก็ไม่เกณฑคอก็ไม่เกณฑ์หลังก็ไม่เกณฑหลังเอวไม่เกณฑ์หมดอ่ะเห็นได้เนี่รู้ได้ใช่ไหมเนี่ยต้องสังเกตอย่างเนะนี้ย เ, เห็นในตัวสติเห็นไหมเคยตรวจสอบนะรอบรู้ปัญญาสติปัญญาเคยตรวจสอบรอบรู้